กัญชกษัตริย์พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าพระเวสสันดรได้ทรงสดับเสียงกึกก้องแห่งกองทัพเหล่านั้นก็ตกพระทัยกลัวเสด็จขึ้นภูเขาทรงหวาดวันพร่ำพรึงทออพระเนตรดูกองทัพตรัสว่าเชิญดูเถิดมัซีเสียงกึกก้องเช่นใดในป่ามาอาชาในทรงเสียงแผกลกรองก้องสนัน่นปรากฏยอดธงไห ว, ไว ในพรานเหล่านี้ได้ขึงขายล้อมฝูงเนื้อในป่าไล่ต้อนให้ตกลงในหลุมแล้วไล่ทิ่มแทงด้วยหอกอันคมคัดเลือกเอาเนื้อเหล่านั้นตัวอ้วนๆฉันใดเราทั้งสองก็้ฉันนั้นเป็นผู้ไม่มีโทษถูกขับไล่าจากแคว้นมาอยู่ในป่าจึงตกอยู่ในเนื้อมือของพวกศัตรูเป็นแน่จงดูเอาเถิดคนผู้ฆ่าคนที่ไม่มีกำลังพระนางมัซีกราบทูลว่า พวกศัตรูย่ำยีพระองค์ไม่ได้เปรียบเหมือนไฟย่ำยีห้วงน้ําไม่ได้ฉะนั้นขอพระองค์จงทรงระลึกถึงพ่อนั้นนั่นแหละแต่นี้ไปจะพึงมีแต่ความสวัสดีพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพระเจ้าเวสสันดรได้เสด็จลงจากภูเขาประทับนั่งในบนารรณศาลาทรงตั้งพระทัยให้หนักแน่นพระบิดารับสั่งให้ถอยรถกลับ ให้วางกำลังกองทัพไว้แล้วเสด็จเข้าไปหาพระโอรสผู้ประทับอยู่ในป่าเพียงลําพังเสด็จลงจากคอช้างพระที่นั่งทรงเฉวี ย, ยงพระอังสาประนมมือพระหัตแวดล้อมแห่แหนด้วยหมู่อมสาธเสด็จไปเพื่ออภิเษกพระโอรสณที่นั้นเท้าเธอได้ทอดพระเนตรเห็นพระโอรสทรงเพศเป็นบรรพชิตประทับนั่งเข้าฌานอยู่ในบรณารณาศาลา เป็นสมาธิแน่วแน่ไม่มีภัยแต่ที่ไหนพระเวชันดอนและพระนางมัตสีทอดพระเนรเห็นพระบิดาผู้มีความรักในบุตรกำลังเสด็จมาได้ทรงต้อนรับถวายอภิวาทฝ่ายพระนางมัตสีทรงสบพระเศียรถวายอภิวาทแท้พระยุ ค, คลบาทของพระสั ส, สระุะพ่อผัวปราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพมอมชั้นมสัสีสะายของพระองค์ ขอถวายบังคมพระยุ ค, คลาบาทพระเจ้ากรุงสนชัยทรงสวมกอดสองกษัตริย์ใช้ฝ่าพระหัต์ลูกพระปริศดางอยู่ไปมาณนะอาสมนั้นตรัสว่าลูกรักพวกเจ้าไม่มีโรคเบียดเบียนเป็นสุขสำราญดีหรือเลี้ยงอัตภาพด้วยการสแสวงหามูลพลาหารสะดวกหรือมูลพลาหารมีมากอยู่หรือเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีน้อยหรือ ในป่าที่มีเนื้อร้ายพลุกพล่านไม่มาเบียดเบียนหรือพระเวชันดอนกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพพวกหม่อมฉันเป็นอยู่ตามมีตามได้หม่อมฉันทั้งหลายเป็นอยู่อย่างฝืดเคืองชีวิตเป็นอยู่ได้ด้วยการเที่ยวสแสวงหาข้าแต่มหาราชนายสารถีทรมานม้าให้หมดฤทธิ์ฉันใดม่อมฉันทั้งหลายก็ถูกทรมานให้หมดฤทธิ์ฉันนั้น ความหมดฤทธิ์ย่อมทรมานหม่อมฉันทั้งหลายข้าแต่มหาราชเมื่อหม่อมฉันทั้งหลายถูกเนรเทศมามีชีวิตอยู่อย่างหงอยเหงาในป่าหม่อมฉันทั้งหลายมีเนื้อนหนังสูบซีดผอมลงเพราะไม่ได้พบพระบิดาและพระมารดาข้าแต่มหาราชทายาทผู้มีมโนรสยังไม่สมบูรณ์ของหม่อมฉันผู้ประเสริฐแห่งชาวกรุงศรีพี คือพ่อชาลีและแม่กัญหาชินาทั้งสององค์ยังตกอยู่ในอำนาจของพราหมณ์ผู้หยากช้ามันเคี่ยนตีพ่อชาลีและแม่กัญหาชินาทั้งสองนั้นเหมือนเคียนตีโคถ้าพระองค์ทรงทราบหรือทรงได้สดับข่าวลูกทั้งสองของพระราชบุตรีนั้นขอได้ทรงกรุณารีบตรัสบอกในหมอมชันทั้งหลายด้วยเธิดเหมือนหมอรีบพยาบาลคนผู้ถูกงูกัดพระเจ้าสนชัยตรัสว่า อุมาณทั้งสองคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาพ่อได้ให้จับแก่พราหมณ์แล้วไถ่ถอนมาลูกรักลูกอย่าเดีกกลัวเลยจงเบาใจเถิดพระเวสสันดรทูลถามว่าข้าแต่พระบิดาพระองค์ไม่มีโรคเบียดเบียนหรือทรงพระสํารารดีหรือพระจักสุของพระมารดาของข้าพระองค์ยังไม่เสื่อมหรือพระเจ้าสนชัยตรัสว่าลูกรักพ่อสบายดี ไม่มีโรคเบียดเบียนอันหนึ่งจักูุแม่ของเจ้าก็ไม่เสื่อมพระเวจันดอนทูลถามว่าราชพานะของพระองค์ที่เขาเทียมแล้วยังมั่นคงหรือราชพานะยังนำภาระไปได้หรือชนบทเจริญดีอยู่หรือฝนไม่แห้งแล้งหรือพระเจ้าสนชัยตอบว่าราชพานะของเราที่เทียมแล้วยังมั่นคงราชพานะยังนาภาระไปได้ ชุนบทก็เจริญดีและฝนก็ไม่แรงเมื่อกษัตริย์ทั้งสามเหล่านั้นกำลังทรงสนทนากันอย่างนี้ด้วยประการัชนีพระมานดาผู้เป็นราชบุตรีไม่ทรงฉลองพระบาทสเสด็จไปปรากฏที่ช่องภูเขาพระเวสันดอนและพระนางมัสสีทอดพระเนตรเห็นพระมานดาผู้มีความรักในพระโอรสกำลังสเสด็จมาจึงทรงต้อนรับถวายอภิวาส ฝ่ายพระนางมัต ส, สีทรงซบพระเสียรกล่าวถวายอภิวาทแท้พระยุคลบาทของพระสัต ส, สุแม่ผัวปราบทูลว่าข้าแต่สมเด็จพระอายุราหม่อมชันมัต ส, สีสะพายของพระองค์ขอถวายบ่งคมพระยุคลบาทส่วนบุตรน้อยทั้งหลายสเสด็จมาแต่ที่ไกลโดยสวัสดิภาพท่อพระเนตรเห็นพระนางมัต ส, สีก็ทรงคร่องครวญวิ่งเข้าไปหา ปรปมาเหมือนลูกโคอ่อนคอยจะเงื้อหาแม่เป็นแน่ฝ่ายพระนางมัตสีทอดพระเนรเห็นบุตรน้อยทั้งหลายผู้เสด็จมาแต่ที่ไกลโดยสวัสดิภาพทั้งสันระรัวไปทั่วพระวรกายเหมือนแม่มดน้ำนมก็หลัง่งไหลเมื่อพระญาติทั้งหลายมาพร้อมกันแล้วขณะนั้นก็เดียเกิดเสียงดังอึกระทึกกึกก้องภูเขาทั้งหลายก็มีเสียงดังรั่นแผ่นดินสะเทือนวันไหว ฝนตกลงยังท่อทานให้หลังไหลไปขณะที่พระเจ้าเวสันดรได้สมาคมกับพระญาตทั้งหลายในการที่กษัตริย์ทั้งหลายคือพระราชาพระเทวีพระโอรสพระสุนิสาและพระนจ่าทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันแล้วก็ได้เกิดอัศจรรย์หน้าขนพองสยองกล้าวประชาราชนทั้งปวงมาพร้อมใจกันประนมมือถวายบังคมพระมหากษัตริย์ ร้องไห้วิงวอนพระเวชันดรและพระนางมัตรีในป่าอันน่าสะพริมกลัวว่าขอพระองค์ทรงเป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งข้าพระองค์ทั้งหลายขอพระองค์ทั้งสองทรงพระกรุณาสวยราชสมบัติเป็นพระราชาผู้เป็นใหญ่แห่งข้าพระองค์ทั้งหลายเถิดกันชกษัตริย์จบกันนครกันพระเวชันดรตรัสว่าพระบิดา ชาวชนบทและชาวนิคมได้พร้อมใจกันในประเทศหม่อมฉันผู้ครองราชสมบัติโดยธรรมจากแคว้นพระเจาสนใจตรัสว่าลูกรักจริงทีเดียวการที่พ่อให้ในประเทศซึ่งลูกผู้ไม่มีความผิดออกไปจากแคว้นตามคำของชาวกรุงศรีพีนั้นชื่อว่าพ่อได้ทำกรรมชั่วร้ายและชื่อว่าพ่อได้ทำกรรมที่ทำลายความเจริญแล้วขึ้นชื่อว่าบุตร ควรช่วยปลดเลื่องความทุกข์ของมารดาบิดาและพี่น้องที่เกิดขึ้นเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งแม้ด้วยชีวิตของตนพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าลำดับนั้นพระเจ้าเวสันดรได้ทรงชำระล้างทุลีและสิ่งโสโครกครั้นทรงชำระล้างทุลีและสิ่งโสโครกแล้วได้ทรงเพศเป็นพระราชาพระเวสันดรบรมกรษัตริย์ทรงสนะพระเสียรแล้ว ทรงพัสตราพรอันสะอาดทรงประดับด้วยอาพรทุกอย่างสอบพระแสงขันที่ทำให้ราชปัญจามิรเดือดร้อนเกรงขามสเสด็จขึ้นทรงพยาปัจยะนาคครั้งนั้นเหล่าทหารหกหมื่นนายผู้สง่างามต่างก็ชื่นชมยินดีแวดล้อมพระมหากษัตผู้ทรงเป็นจอมทัพลำดับนั้นเหล่าพระสนมกำนันในของพระเจ้ากรุงศรีพีมาประชุมพร้อมกัน ชวนเชิญพระนางมัสตสีให้สงสนารแล้วถวายพระพรว่าขอพระเวสสันดรจงทรงอภิบาลรักษาพระแม่เจ้าพ่อชาลีและแม่กัญหาชินาทั้งสองพระองค์อันหนึ่งขอพระเจ้ากรุงศนชัยมหาราชจงทรงอภิรักพระแม่เจ้าเทินพระเวสสันดรบรมกรษัตริย์และพระนางมัสตสีกลับมาดํารงในสิริราชสมบัติตามเดิมแล้ว ทรงระลึกถึงความลำบากของตนในการก่อนจึงรับสั่งให้นํากรองนันทิเพรีไปตีประกาศที่คุ้มครองเขาวงกดอันน่ารื่นรมพระนางมาัตสีผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะได้ปัจจัยนี้แล้วทรงระลึกถึงความลำบากของตนในการก่อนครั้นได้พบพระโอรสทั้งหลายก็มีพระไทยปราบปลื้มสมนัตก็พระนางมาัตสีผู้สมบูรณ์ด้วยลักษณะได้ปัจจัยนี้แล้ว ทรงระลึกถึงความลำบากของตนในการก่อนมีพระไทยชื่นชมยินดีปรีดาพร้อมกับพระโอรสทั้งหลายลูกรักทั้งสองเมื่อก่อนแม่ได้บำเพ็ญวัดนี้นอนเหนือแผ่นดินเป็นนิดนี้เป็นวัดของแม่เพราะแม่รักเจ้าทั้งหลายวัดของแม่สำเร็จในวันนี้เพราะได้พบพวกเจ้าลูกรักทั้งสองขอความสมาณที่เกิดจากแม่ก็ดีจากพระบิดาก็ดี จงคุ้มครองลูกอันหนึ่งขอพระเจ้ากรุงศรนชัยมหาราชจงทรงอภิรักความสมนัตนั้นบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่แม่และพระบิดาของลูกทําแล้วมีอยู่ด้วยบุญกุศลทั้งหมดนั้นขอลูกจงเป็นผู้ไม่แก่ไม่ตายพระนางมัสสีทรงงดงามด้วยพระภูษาอย่างใดพระนางผุสดีสัจ ส, สุเทวีก็ทรงจัดพระภูษาอย่างนั้น คือพระภูษากับปาสิกะพัทโกสายพัทโหมมาพัทและโกทุมพรพัททรงไปประทานแก่พระนางมาัตสีราชสุนิสาพระนางมาัตสีทรงงดงามด้วยเครื่องประดับอย่างใดพระนางผุสดีสัจ ส, สุเทวีก็ทรงจัดเครื่องประดับอย่างนั้นคือพระธรรมรงสุพันรัตสร้อยพระสอนนภรัตทรงไปประทานแก่พระนางมาัตสีราชสุนิสา พระนางมัสสีทรงงดงามด้วยเครื่องประดับอย่างใดพระนางพุสดีสัจ ส, สุเทวีก็ทรงจัดเครื่องประดับอย่างนั้นคือพระวะไหลสำหรับประดับข้อพระบาทพระกุณฑลสำหรับพระกันสายรับพระองค์ฝังแก้วมณีเพชรทรงไปประทานแก่พระนางมัสสีราชสุนิสาพระนางมัสสีทรงงดงามด้วยเครื่องประดับอย่างใดพระนางพุสดีสัสุเทวี ก็ทรงจัดเครื่องประดับอย่างนั้นคือดอกไม้กรองเครื่องประดับพระเมรีเครื่องประดับพระนาราชและเครื่องประดับฝังแก้วมณีสีต่างๆกันส่งไปประทานแก่พระนางมัตสีราชสุนิสาพระนางมัสสีทรงงดงามด้วยเครื่องประดับอย่างใดพระนางผูสดีสัจสุเทวีก็ทรงจัดเครื่องประดับอย่างนั้นคือเครื่องประดับพระถันเครื่องประดับพระอังสาสอิงเพชร และฉลองพระบาทส่งไปประทานแก่พระนางมัสสีราชสุนิสาพระนางมัสสีราชบุตรีทรงตรวจดูเครื่องประดับที่ร้อยด้วยได้และไม่ร้อยด้วยได้พระนางมัสสีราชบุตรีทรงตรวจดูและประดับตกแต่งแล้วทรงงดงามดังนางเทพกลัญญาในพระอุทยานนันทวันพระนางมัสสีราชบุตรีทรงสงสนานพระเศียร ทรงพระสตาภรณ์อันสะอาดประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างทรงงดงามดังนางเทพอับซรในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระนางมัสีราชบุตรีทรงมีริมพระโอษงามทรงงดงามดังต้นกล้วยสีทองที่เกิดในสวนจิตลดาถูกลมพัดไปมาพระนางมัสีราชบุตรีมีพระโอษแดงดุจผลใสและผลตําลึงสุก งดงามดังกินรีมีขนปีกงามวิจิตบินร่อนอยู่ในอากาศเราพนักงานตกแต่งดรุลหัตถีอันเป็นช้างพระที่นั่งตัวประเสรศิฐอดทนต่อหอกซัดและลูกสรมีงาเรียวงามดุดงอนรถมีกำลังกล้าหาญเสร็จแล้วให้นำมาประเทียบเกิยคอยต้อนรับพระนางมัสีนั้นพระนางมัสีนั้นเสด็จขึ้นประทรับบนหลังดรุณหัตถี อันเป็นช้างพระที่นั่งตัวประเสริฐอดทนต่อหอกซัตดและลูกศรมีงาเรียวงามดุดงอนรดมีกําลังกล้าหาญฝูงเนื้อประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งปวงที่เขาวงกฏนี้ฝูงเนื้อประมาณเท่านั้นไม่เบียดเบียนกันและกันด้วยเดชของพระเวสสันดรฝูงนกประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งปวงที่เขาวงกฏนี้ฝูงนกประมาณเท่านั้นไม่เบียดเบียนกันและกัน ด้วยเดชของพระเวสันดรฝูงเนื้อประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งโปวงที่เขาวงกฏนี้ฝูงเนื้อประมาณเท่านั้นมาประชุมในที่เดียวกันในเมื่อพระเวชันดรผู้ทรงผดุงรัฐให้เจริญจะชาวกรุงสีพีจะเสด็จกลับฝูงนกประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งโปวงที่เขาวงกฏนี้ฝูงนกประมาณเท่านั้นมาประชุมในที่เดียวกัน ในเมื่อพระเวสสันดรผู้ทรงพดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีจะเสด็จกลับฝูงเนื้อประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งปวงที่เขาวงกฏนี้ฝูงเนื้อประมาณเท่านั้นไม่ได้ส่งเสียงร้องไห้เลอะเหมือนในกาลก่อนในเมื่อพระเวสสันดรผู้ทรงพรดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีจะเสด็จกลับฝูงนกประมาณเท่าใดที่มีอยู่ในป่าทั้งปวงที่เขาวงกฏนี้ ฝูงนกประมาณเท่านั้นไม่ได้ส่งเสียงร้องไหเราะเหมือนในการก่อนในเมื่อพระเวสสันดรผู้ทรงพระดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงสีพีจะเสด็จกลับราชมกควิถีที่จะเสด็จพระราชดำเนินนั้นประชาราชช่วยคลมประดับตกแต่งงามตระการตาลา ด, ด้วยดอกไม้ตั้งแต่กรุงเชตุดอนจนถึงที่ประทับของพระเวสสันดรลำดับนั้นเหล่าทหารหกหมื่นนาย ผู้แต่งเครื่องพร้อมศัพท์งามสง่าหน่าดูพากันติดตามแวดล้อมอยู่โดยรอบในเมื่อพระเวชันดรผู้ทรงประดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีเสด็จกลับผู้พระสนมกำนันในพระกุมารแพทย์และพวกพราหมณ์ต่างพากันติดตามพระเวชันดรแวดล้อมอยู่โดยรอบในเมื่อพระเวสันดรผู้ทรงพระดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีเสด็จกลับ กองพลช้างกองพลมา้ากองพ ล, ลรถและกองพลราบต่างพากันตามเสด็จแวดล้อมโดยรอบในเมื่อพระเวสสันดรผู้ทรงพระดุงรัฐให้เจเริญแก่ชาวกรุงศรีพีเสด็จกลับชาวชนบทและชาวนิคมมาประชุมพร้อมกันแล้วต่างพร้อมใจกันมาประชุมแวดล้อมอยู่โดยรอบในเมื่อพระเวสสันดรผู้ทรงพรดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีเสด็จกลับ เราทหารกล้าตามก็สวมหมวกสวมเกราะถือดาบถือโล่หนังเดินนำหน้าในเมื่อพระเวสสันดรผู้ทรงพดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีเสด็จกลับกษัตริย์ทั้งหกพระองค์นั้นเสด็จเข้าสู่พระนครที่รื่นรมซึ่งมีป้อมปราการและประตูเป็นอันมากประกอบด้วยข้าวน้ำอุดมและการฟ้อนรำและขับร้องทั้งสองประการ ชาวชนบทและชาวนิคมต่างชื่นชมสมณยินดีพร้อมใจกันมาประชุมในเมื่อพระเวชันดอนผู้ทรงพระดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีเสด็จถึงพระนครโดยลำดับแล้วเมื่อพระเวชันดอนผู้ทรงพระราชทานทรัพย์เสด็จมาถึงแล้วชาวชนบทและชาวนิคมต่างก็โบกผ้าสะบัดไปมา พระองค์รับสั่งให้นำกลองนันทิเพรีไปตีประกาศในพระนครและรับสั่งให้ประกาศปลดปล่อยจัตทั้งปวงจากเครื่องพันธนาการขณะที่พระเวสสันดรผู้ทรงพรดุงรัฐให้เจริญแก่ชาวกรุงศรีพีเสด็จเข้าพระนครท้าวศักกระเทวราชก็ทรงบันดาลให้ฝนทองตกลงมาต่อมาพระเจ้าเวสสันดรผู้เป็นกษัตริย์ผู้มีปัญญาทรงบำเพ็ญทานแล้ว หลังจากสวรรคตแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ชั้นนี้แลกันนครกันจบมหาเวสันดรชาดกที่สิทธิ์จบมหานิบาทจบชาดกภาคสองจบ